ทีนี้อีกสูตรหนึ่งตามด้วยอนุธรรมมาสูตรที่สองที่กล่าวว่าถ้าเบื่อไม่เป็นนะมาดูพิจารณาว่าทำไมมันจึงเบื่อได้ไหมดูความพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทมย่อมมีธรรมะอันเหมาะสมคือพึงเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในรูปเห็นความไม่เที่ยงในเวทนาเห็นความไม่เที่ยงในสัญญาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารเห็นความไม่เที่ยงในวิญญาณก็คือเห็นเห็นความไม่เที่ยงของ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 นนย่อมหลุดพ้นจากชาติชรามรณโาโศกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายะเรากล่าวว่าหลุดพ้นจากทุกอันนี้ก็สูตรนี้แสดงว่าแสดงเยอะอะรเรียกว่าสำนวนถ้าเป็นผู้ที่อยู่ที่สูงอ่ะนะย่อนเชือกมาให้คนข้างล่างจับอ่ะนะตอนแรกก็ย่อนเชือกมาไม่ไม่ไม่ยาวนักอ่ะนะคนที่ตัวสูงสูงก็จับแล้วเกาะขึ้นได้เลย ทีนี้คนที่ประเภทนั้นเนี่ยสุกกระโดดขึ้นหมดมีแต่เหลือต่ำๆก่านั้นนะก็หย่อนเชือกลงไปอีกนะสูตรนี้ก็ลักษณะเดียวกันคื อ, อแสดงอนุวัตว่าคนที่ปฏิบัติธรรมสมควรเกี่ยธรรมเนี่ยต้องเห็นขันห้าด้วยความเป็นของไม่เที่ยงนะเนี่ยนะก็คือลงลงมาเรียกว่าลงมาตื้นให้เห็นอีกชัดเจนอีกขึ้นเลยนะสำหรับคนที่อยู่ต่ำๆที่จับเชือกไม่ถึงเนี่ยนะคือพระธรรมคำสอนเหมือนเชือกใช่ไหมคนสูงๆเนี่ยคว้าแล้วก็ กาขึ้นได้เลยแต่ถ้าคนที่มันตัวเตี้ยวนะก็เชือกมันก็ต้องหย่อนลงมาอีกนะสูตรนี้ก็เหมือนกันบอกว่าที่เขาเห็นไม่เขาเบื่อนี่เขาเพราะเขาเห็นไม่เที่ยงนะเพรา ะ, ะนั้นถ้าคุณจะปฏิบททัติธรรมสมควรแก่ธรรมคุณต้องมากด้วยการเห็นขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นไหมก็ไม่เที่ยงเป็นยังไงก็อย่างที่เคยกล่าวไปแล้วนะพอสูตรที่สองก็บอกว่าถ้าไม่เที่ยงเข้าใจไม่ค่อยชัดเอาเป็นทุกข์ก็แล้วกัน นะคือให้เห็นขันท่าโดยความเป็นทุกข์นะถ้าบอกว่าเห็นเป็นทุกข์ก็ยังไม่ทราบซึ่งอีกเห็นเป็นอนัตตานะจริงๆนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั่นแหละเป็นอนัตตานั้นคําว่าไม่เที่ยงหมายถึงมีแล้วก็ไม่มีเนี่ยนะจากไม่มีแล้วมีขึ้นเมื่อมีขึ้นแล้วหมดไปเนี่ยอย่างไหนก็ไม่เที่ยงหรือมีเกิดเป็นเบื้องต้นมีความแตกทาลายเป็นที่สุด แล้วก็ปฏิเสธความเที่ยงว่ามันไม่มีความเที่ยงอยู่ในนั้นอย่างจริงนั้นขันห้าที่เกิดขึ้นนั้น่ะไม่มีความเที่ยงอยู่ในนั้นอยู่โดยแท้จริงอะไรเลยนั่นก็เลยเรียกว่าไม่เที่ยงก็คือมีแล้วมันก็หมดไปส่วนในสิ่งที่มีแล้วหมดไปเนี่ยนะมันเป็นภัยเพราะมันน่ากลัวขันห้าเนี่ยมันมีภัยอะไรบ้างภัยของขันห้านะเราเคยเคยใครเคยสรุปชีวิตของเราเอ๊ะมีภัยอะไรบ้าง นะภัยที่เห็นเห็นชัดๆของชีวิตเลยนะหนึ่งอย่างแรกถ้ามองแบบพุทธพจน์เลยนะชาติภัยเนี่ยภัยคือการเกิดนี่เรายังไม่พ้นอย่างอย่างในภพภูมิทั้งหลายที่พูดถึงนะไม่ว่าจะเป็นอบายหรือที่ไหนก็ช่างเถอะนั่นแหละเพราะมีชาตินั่นแหละมันจึงมีสิ่งเหล่านั้นนั้นเพราะฉะนั้นภัยเหล่านั้นเราก็ยังไม่ได้พ้นเลย คือไม่ได้พ้นจากการเกิดณนะสถานที่ทั้งหลายแหละที่ที่มันไม่ดีนะที่ที่ฟังแล้วว่าที่นั้นไม่ดีอันนั้นเรายังไม่ได้พ้นจากสภาพการเกิดณนะที่นั้นเลยอันนี้ก็นับว่าเป็นภัยอย่างหนึ่งคือชาติภัยภัยคือความเกิดอย่างที่สองเมื่อเกิดมาแล้วภัยติดตามมา ก, ก็คือความชรานีนะอันนี้ก็เป็นภัยอย่างหนึ่งที่ที่กลัวกันมากกันนะถ้ามียาแก้ชราได้นะคนสงสยัย ใครที่ผลิตยานี้ขึ้นได้ขายดีมากนนะอย่างยาตระกูลเครื่องสำอางทั้งหลายแหละก็คือตะกูลฉลอความชาราเท่านั้นเองมันขายดีมากแพงก็ซื้อฉลอจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แหละแต่ว่าขายดีมากานะ่นะทนก็นภัยติดตามมาก็คือชราอันนี้ก็กลัวมากแล้วภัยที่กลัวต่อไปอีกเนี่ยนะคนที่ถ้าชราแล้วนะคนชราเขาจะกลัวอีกอย่างนึงคือ โรคข้างหลายแหละเนี่ยนะเากลัวกันมากเลยนะกลัวที่จะต้องไปนอนโรงพยาบาลเป็นต้นเนี่ยนะกลัวกลัวเข้า อ, นะอูอ่นะไอ้มันเสื่อมมันก็เสื่อมอยู่แล้วละ่ะชารามันก็ชาราอยู่แล้วละ่ะแต่ที่กลัวไปกว่านั้นอีกก็คือพยาธิที่นี่เมื่อคนป่วยแล้วที่กลัวตามลงมาอีกก็คือกลัวตายนะกลัวตายทีนี้คนที่บุญไม่ค่อยมีอีกนะ กลัวนรกเอันะกลัวเกิดก็คือหันไปกลัวชาติแต่ว่ากิจกรรมระหว่างนั้นทั้งหมดเนี่ยคืออะไรคือความเศร้าโศกเนี่ยนะความเศร้าโศกความไม่สบายใจความคับแค้นใจความทุกข์ทางกายความทุกข์ทางใจเนี heads, heads, ่ยนะหรือว่าคิดอะไรก็ไม่ค่อยสมหวังเนี่ยนะไอที่คิดมันก็ได้ไอที่ได้มันก็ไม่ได้คิดเนี่ยนะไอที่คิดอยากได้มันก็ไม่ได้ไอที่คิดไม่อยากได้นี่มันก็ได้เอ้าได้เอ า, เอาอยัางงน มันก็ตรงกันข้ามกับความต้องการหมดเลยสิ่งเหล่านั้นก็เป็นทุกข์ถือว่าเป็นเป็นภัยกันหมดแล้วภัยอันนี้ไม่ได้มีเฉพาะคนเดียวใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี่จะได้รับภัยเหมือนกันหมดเแต่ว่าจะมากจะน้อยจะเร็วจะช้าก็ก็คนละคนละประเด็นกันแต่ว่าจะได้รับภัยเหล่านี้เหมือนกันหมดเลยนมันก็ภัยเหล่านี้คือ กล่าวถึงภัยอย่างนี้แหละเรียกว่ากล่าวโดยความเป็นทุกข์ของขันห้าเพราะขันห้ามันมีภัยนั่นแหละขันห้าจึงเป็นทุกข์เนี่ยนะทีนี้เมื่อมันมีภัยด้วยมันไม่เที่ยงด้วยมันทุกข์อย่างนี้ด้วยถามว่ามันมันใครล่ะหรือว่ามันเป็นของใครได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นสูตรก่อนพระองค์จึงบอกว่าขันห้าไม่ใช่ของเธอทั้งหลายนะเธอทั้งหลายจงละขันห้าเสียขันห้าที่เธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเนี่ยนะ คือถ้าตัดฉันทราคะตัดเยื่อใ่ในขันห้าได้ก็พ้นจากทุกได้อีกสูตรหนึ่งนะในขึ้นวักใหม่วักที่ห้าอัตตาทีปะวักที่ห้าอัตตาก็อัตานะทีปะนี่แปลว่าเกาะนะวักก็แปลว่าหมวดหรือวักนั่นแหละนะวักว่าด้วยมีอัตตาเป็นเกาะ หรือว่าให้มีเกาะคืออัตตาเนี่ยนะสูตรนี้ให้ยึดอัตตาเลยผู้การจะอธิบายว่ายังไงให้เอาอัตตาเลยกันนี้มันไม่ขัดกับเมื่อกี้นั่งรถมาบอกว่ายังสัพเพธรร ม, มานตาอยู่หรือเปล่าพอมาสูตรนี้บอกว่านี่ให้เอาอัตตาเป็นเกาะนั่นเนี่ยขัดกันหรือเปล่าไม่ทราบนะนะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถมินทิกะเศรษฐีกรุงสาบถี ณนะที่นั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียบพิสูจนทั้งหลายแล้วตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะนนะจงมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสาระไม่มีสิ่งอื่นเป็นสาระเนะคือคำว่าที่พึ่งก็คือเกาะ น, นี่มันอันเดียวกันเนี่ยนะให้เกาะตัวเองเอาไว้นะนะให้เอาตัวเองเนี่ยเป็นที่พึ่งเป็นสาระอย่าไปเอาอย่า สำนวนตรงๆนะอย่าไปเอาคนอื่นเป็นสารณะนะให้เอาตัวเองเป็นสารณะเนี่ยนะอย่าไปเที่ยวเอาคว้าเอาคนอื uh ่นนะไม่ใ hmm. ช hmm. mm ่ไปถวายชีวิตให้คนอื่นเ้าหมดนะไม่ใช่แต่ให้ห้าวตัวเองเป็นสารณะนะจงเป็นผู้มีธรรมะเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นสารณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสารณะอยู่เถิดเนี่ยนะคือเน้นว่าให้เอาตัวเองเอาธรรมะเนี่ยเป็นเกาะเป็นสารณะเป็นที่พึ่ง อย่าไปเอาบุคคลอื่นอย่าไปเอาสิ่งอื่นเป็นสาระเป็นที่พึ่งนะดูก่อนพิสู่นทั้งหลาย <iliyor> เมื่อเธอทั้งหลายจะมีตนเป็นเกาะเนี่ยนะคือมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสาระไม่มีสิ่งอื่นเป็นสาระมีธรรมะเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นสาระไม่มีสิ่งอื่นเป็นสาระอยู่จะต้องพิจา ร, รณาโดยเยบคายว่าอนะ โสกะปริเทวทุกโทมนัสและอุปายาตเนี่ยมีกาเนิดมาอย่างไรเกิดมาจากอะไรอนไในชั้นแรกก่อนนะว่าให้เอาตัวเองเป็นเกาะเอาตัวเองเป็นที่พึ่งก็แปลว่าปฏิเสธอย่างอื่นทั้งหมดเลยนะแต่ตรงนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าเธออย่าเอาแนวทางที่ชั้นสอนเป็นที่พึ่งนะอันนี้อันนี้นี่ประเด็นนี้ตัดออกไปใช่ไห อพระพุทธเจ้าเราในฐานะที่แรกะเรามอบกายสวายชีวิตให้ให้พระพุทธเจ้าใช่ไหม ว, ว่าพุทธังสารนังฆาฉามิอันนี้พระพองค์ไม่ได้ปฏิเสธตรงนั้นอ้าวเท่ากับบอกว่าเออดีแล้วที่เธอมานับถือว่าฉันเนี่ยเป็นสารณะนะอันนี้พูดแบบจำนวนเราเลยว่าเออดีแล้วที่เธอมาถือฉันเป็นสารณะทีนี้เมื่อเธอถือฉันเป็นสารณะนะฉันจะบอกวิธีให้ไกบอกว่าเธอคิดแบบนี้นะหนึ่ง ต้องตัดอย่างอื่นออกไปให้หมดเธอไม่ต้องคอยหวังพึ่งคนอื่นนะไม่ใช่ว่าเธอจะมาปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์อ่ะต้องคอยพึ่งเพื่อนพึ่งฟูงพึ่งญาติพึ่งพี่พึ่งน้องพึ่งคนอื่นไปหมดไม่ใช่นะเธอต้องพึ่งตัวเองนะเรนนะแล้วก็เธอต้องพึ่งธรรมะนะอย่าไปเอาอย่างอื่นเป็นที่พึ่งทีนี้เมื่อเธอมีตัวเองเป็นเกาะมีตัวเองเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่างนี้นะเธอคิดอย่างนี้นะเธอพิจารณาอย่างนี้ว่า โสกะปริเทวทุกโทมนัตอุปายาสนี่มันเกิดจากอะไรเห็นไหมก็ก็ถ้าว่าให้ตรงๆนะที่เรานับถือว่พระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะเรามีโสกะมีปริเทวามีทุกมีโทมนัตมีอุปายาสนะนะสรุปว่าชีวิตเรามีปัญหาว่างั้นเถอะมีปัญหาเพราะโศกความเศร้าโศกความพิรัยรําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจอะ่ะมันเดือดร้อนอยู่ตลอดเนี่ยอันนี้คือปัญหาที่มีอยู่ ทีนี้เมื่อปัญหาอันนี้มีอยู่แล้วก็สาวแต่ว่ามันเกิดจากอะไรอันนี้พระพุทธเจ้าบอกวิธีคิดนะว่าเราควรคิดนะว่าที่มาทุกแบบเนี้หมายได้อย่างไงทีนี้ก็พูดถึงคนทั่วๆไปก่อนเอาคนทั่วๆไปที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะที่ไม่ได้เป็นพระสายอริยานิว่าสดูก่อนพิสูจนทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้ไม่ได้เห็นพระริยเจ้าทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมะของพระริยเจ้า ไม่ได้รับแนะนําในธรรมะหรืออริยธรรมไม่ได้เห็นสัตว์บุรุษไม่ฉลาดในธรรมะของสัตว์บรุษไม่มีวินัยของสัตว์บุรุษก็คือสรปว่าเกิดมาเนี่ยไม่เคยเห็นไม่ได้รู้จักพระตนะตรายเลยไม่ได้ฟังคําสอนอะไรเลยเนี่ยนะแล้วก็ไม่มีสังวรวิในไม่มีปหานวินัยไม่มีศีลสมาธิปัญญาขันติวิริยะไม่มีสักอย่างเลยพอไม่มีอย่างนั้นเข้าก็เห็นรูปโดยความเป็น อัตตาใช่ไหมเห็นรูปเป็นอัตตาอัตตาเนี่ยมีรูปเห็นรูปเนี่ยในอัตตาอัตตาเนี่ยมีอยู่ในรูปเหมือนกันคือคือเข้าไปผูกพันในรูปอย่างเต็มที่เห็นไหมตอนแรกก็บอกว่าเห็นรูปเป็นอัตตก็อัตตากับรูปในสิ่งเดียวกันอันนี้ทิฏฐิแต่ถ้าอัตตาในฐานะบริขารของรูปอันนี้เป็นลักษณะของไปผูกพันแบบตันหานะ คือคือรูปไม่ใช่อัตตาหรอกแต่มันของอัตตาไงนะเป็นบริขารหรือบริวารของอัตตา <c oughs> มันก็เข้าไปเพลิดเพลินในรูปทีนี้ถ้ารูปอันนั้นมันแปลไปจะทำไงเดีย๋ยนะพอรูปเหล่านั้นแปลไปก็ย่มอมรูปแปลไปเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาทย่อมเกิดขึ้นแก่เขาเพราะรูปแปลไปและเป็นอื่นไปนั่นนะคือหมายถึงว่า สิ่งที่เข้าไปหวังมันไม่เป็นอย่างหวังอะไรเกิดทุกข์ก็เกิดอยู่แล้วใช่ไหมก็บอกว่าความโศกย่อมเกิดแต่ความรักภัยย่อมเกิดแต่ความรักเนี่ยนะถ้าไม่มีความรักความโศกจกมีแต่ไหนภัยจกมีแต่ไหนเพราะฉะนั้นไอ้ความเข้าไปผูกพันความเข้าไปยึดถือในขันห้า น, นั้นแหละเป็นต้นเหตุแห่งแห่งทุกข์นะนะขันมันก็เป็นอย่างนั้นวันยังค่ำนะแก้วมันก็เป็นแก้วอย่างนี้วันยังค่ํา แล้วมันถ้าได้ปัจจัยมันก็แตกถ้าเรายึดหรือไม่ยึดมันก็แตกแต่ถ้าไม่ยึดไม่ทุกถ้ายึดถ้ามันแตกใจเราเนี่ยเราไปด้วยมันทุกใจไปด้วยน่นหะคือขันห้ายังไงมันตายอยู่ดีอยางนั้นแต่ว่ารวมๆนะแกธรรมดาป่วยธรรมดาตายเนี่ยธรรมดาแน่นอนแข็งก็ตายไม่แข่งก็าตายฆ่าก็่าตายไม่ฆ่าก็าตายตายหมดนะขนาดไม่เครียดไม่ตีมยังไข่เลยใช่ไหม มันก็ก็เป็นอย่างนี้แหละธรรมชาติของขันห้าทีนี้ถ้าคนที่เข้าไปยึดไปไปไปมั่นหมายในขันห้ามากอ่ะขันห้ามันก็เป็นอย่างที่มันอยากเป็นนั่นแหละมันเป็นไปตามปัจจัยของมันทีนี้เมื่อคนที่เข้าไปมุ่งหวังหวังเต็มที่ในขันห้าขันห้ามันก็เปลี่ยนพอขันห้าเปลี่ยนโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปาญาตก็ก็เกิดขึ้นนั่นะถ้าเรา ศึกษาแบบจับคำสอนให้ชัดเจนนะไม่มีสูตรไหนชมขันห้าเลยให้เห็นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตาตาเนี่ยนะจะพูดอยู่อย่างนี้ตลอดจนกว่าเราจะหายเมาแล่นแหละคือเห็นเวทนาปุตุชนนะทั่วไปก็เห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตาเห็นสัญญาโดยความเป็นอัตตาเห็นสังขารโดยความเป็นอัตตาเห็นวิญญาณเนี่ยโดยความเป็นอัตตายอมเห็นว่า อัตตาเนี่ยมีวิญญาณวิญญาณเนี่ยนอัตตาเห็นอัตตาเนี่ยนวิญญาณก็คือวนๆอยู่นั่นแหละวิญญาณของเขานั้นย่อมแปรไปย่อมเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวทุกโทมนัสอุปายาสย่อมเกิดขึ้นแก่เขาเพราะวิญญาณเนี่ยแปรเป็นอย่างอื่นไปเนี่ยนะการไปพิจารณาอย่างนี้นีนนน่แหละชื่อว่ามีตนเป็นเกเนี่ยนะคำว่าตนในที่นี้หมายถึง กุศลธรรมทั้งหลายหมายถึงสติปัญญาที่เข้าไปพิจารณาแบบนี้การไข่ครควญแบบนี้นะเ ช, ชื่อว่ามีตัวเองเนี่ยเป็นเกาะมีตัวเองเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งนะเสร็จแล้วอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยก็ยังยังเป็นการพิจารณาเน้นไปที่ทุกข์สัตว์กับสมุทยัทยสัตว์เป็นหลักเนี่ยนะว่าเออทุกทุกทุกข์สัต์ทั้งหลายเกิดจากสมุทัยแบบนี้นะเกิดจากการยึดถือแบบนี้นะก็บอกไป ทีนี้มาพูดถึงผู้ที่เจริญมิปัสสนาบ้างว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายก็เมื่อพิกษุรู้ว่ารูปไม่เที่ยงแปรปรวนไปคลายไปดับไปเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่ารูปทั้งในก่อนและรูปทั้งมวลในบัดนี้ล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกขมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเนาี่ยไเอาง่ายๆสรุปง่ายๆว่ารูปไม่เที่ยงเป็นทุก มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดารูปท ouais, yeah, ั้งหมดเลยนะไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแม้ในอดีตอดีตที่ผ่านมาจะนานขนาดไหนก็ตามจะพบไหนก็ตามรูปเหล่านั้นล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดารูปที่จะมีต่อไปในอนาคตรูปจะนานอีกขนาดไหนรูปเหล่านั้นก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปวนเป็นธรรมดา แล้วก็รูปทั้งหมดในบัดนี้นะรูปที่เราประสบพบปะเจอเจอทั้งหมดเนี่ยนะที่เห็นที่ได้ยินรูปทั้งหมดล้วนแต่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาดังนี้ย่อมละโศกปริเทวทุกโทโมนัสและอุปาญาตไดนะ้คือการเข้าไปใคร์ครวรแบบนี้นะละโทโมนัสได้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าใครครวรไว้บ่อยๆบ่อยๆนะไม่ค่อยเสียใจ พันวิปั ส, สนาเนี่ยนะผู้ที่เจริญหรือพิจารณาขันธ์ธาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอย่างมากจะโทมนัสน้อยกว่าคนทั่วๆไปหรือดีไม่ดีไม่ไมโทมนัสเลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่พระองค์ตรัสบอกพระนรินว่าอนรินเราบอกเราเตือนไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าเราจักละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลาดพาจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นไป สังขารทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นแล้วประชมแล้วปรุงแต่งแล้วอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแล้วที่เที่ยงไม่มีรอก น, นะมันแล้วก็บุคคลเนี่ยเข้าไปไปหวังเข้าไปยึดไม่ได้หรอกว่าให้มันเที่ยงนะให้มันสุขไม่ได้อยู่แล้ว น, นะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็บอกว่าเราบอกเราเตือนแล้วนะเหมือนกันแล้วในอภินหะปัจจเวคนะธรรมสูตรเนี่ยพระองค์ก็บอกว่า พิสูจนี่พิจารณาไว้เนืองๆเลยนะว่าเราต้องละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นไปเนี่ยนะทีนี้อาการที่จะพิจารณาแบบนั้นเนี่ยแสดงว่ามีความเข้าใจในเรื่องพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงทีนี้การพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงสูตรนี้บอกเลยนะว่ารูปทั้งในการก่อนและรูปทั้งมวลในบัทนี้ล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุก มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะเอามาพิจารณาทั้งหมดนะใสูตรนี้ก็อรรถกถากบอกว่าเป็นวิปัสสนาเป็นสูตรที่ว่าด้วยวิปัสสนาซึ่งอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดว่าผู้ที่พิจารณาอย่างนี้ย่อมละโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตได้เพราะละโศกะเป็นต้นเหล่านั้นได้จึงไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งย่อมอยู่เป็นสุข ภิกษุผู้มีปกติอยู่เป็นสุขเรากล่าวว่าผู้ดับแล้วด้วยองค์นั้นๆเนี่ยนะแต่ทางขั้นนี้ผู้โตผู้ดับแล้วด้วยวิปัสสนานั้นๆเนี่ยนะคือไปพิจารณาอย่างนี้ขณะที่พิจารณาเป็นวิปัสสนานั้นวิปัสสนาที่พิจารณาอย่างนี้นะก็ชื่อว่าดับความเศร้าโศกเป็นต้นด้วยวิปัสสนานั้นๆ น, น, นั่นเองดูความภิกษุทั้งหลายก็เมื่อภิกษุรู้ว่าเวทนาเนี่ยไม่เที่ยง แปรปลวนไปคลายไปดับไปนะเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่าเวทนาในก่อนและเวทนาทั้งมวลในบัดนี้ล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปลวนเป็นธรรมดาดังนี้ย่อมละโศกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาตได้เพราะละโศกะเป็นต้นเหล่านั้นได้จึงไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งย่อมอยู่เป็นสุข ภิกษุผู้มีปกติอยู่เป็นสุกเรากล่าวว่าเป็นผู้ดับแล้วด้วยองค์นั้นๆนะนสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันก็ในญ า, าเดียวกันนะนะดันั้นการเข้าไปใคร่ครวญอย่างนี้สามารถทําให้ดับโสกะปริธีว่าทุกขโทมานัตอุปายาตได้เมื่อขันเหล่านั้ น, น, นแปรปลวนไปนะอย่างนี้แหละเป็นวิปัสนาเพราะสูตรนี้เป็นวิปัสนานะไม่ได้กล่าวถึงมรรคแต่ก็บอกแนวทางให้ ให้ถึงอริยมรรคนั่นเองว่าถ้าเจริญตายอย่างนี้อบรมบ่มนิสัยอย่างนี้ให้เกิดมากๆอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นธรรมะอะไรครับที่ทำให้ชะลาครับธรรมะอะไรที่ทำให้ชะลา <c oughs> คือเท่าที่เท่าที่ดูนี่มันพูดถึงรูปก่อนนะ ทาไมรูปจิงฉลาก็คงจะนีไม่พ้นเรื่องเตโชเนี้ยหนี้ไม่พ้นเรื่องเตโชธาตใช่ไหมครัที่ทําให้ชราเนี่เพราะหรือมันเป็นนิยามมะฉลามรณะนะเป็นธรรมนิยามคื อ, ค, อคือไม่ต้องอาศัยปัจจัยมันก็คือหมายความว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดจากปัจจัยมันชราหมดเนี่ยนะ น, นี่เป็นเป็นธรรมนิยามแต่เขาทั้งนั้นถ า, ถามถามว่าอชรามรณะอันนี้มาจากอะไร เนี่ยนะมีอะไรหนอเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นนิทานบอกมีชาตินะเป็นเหตุเนี่ยนะมีชาติเป็นแดนเกิดเนี่ยนะก็จะสาวไม่หาปจาัจจัยเพราะอะไรเพราะว่าสังขารทั้งมวลที่เกิดขึ้นล้วนแต่ชราและมรณะเป็นธรรมดาเนี่ยนะคืออ่คือบ ชารานี่ก็ชาราไม่ไม่เท่ากันใช่ไหมฮะแล้วแต่ละพบแต่ละภูมิก็ชาราต่างกันถ้าในสุขติภูมิชั้นลุงสูงก็ชราก็ก็ช า, ากว่ า, วาแล้วเห็นยากกวา่าส่วนส่วนสัตว์ที่อยู่ในภูมิต่ําๆเนีก็ชาราเร็วมากเช่นมดเช่นปลวกเนี่ยชาราเร็วนะเขาเแตกต่างกันถูกไหมอะไรหนอเป็นปัใจจัยให้เป็นอย่างนี้ ชาติแตกต่างกันคือชาติกําเนิดของสัตว์นั้นๆแตกต่างกันเช่นว่าสัตว์พวกเดรชาเล็กๆพวกมดพวกปลวกนะชาติกําเนิดมันเป็นแบบนั้นนะนะที่เป็นปัจจัยให้มันอยู่มันอยู่ได้เท่านั้นอย่างมนุษย์ทั้งหลายชาติกําเนิดแบบมนุษย์ก็จะอยู่ตามสมควรในในลักษณะของมนุษย์หรือชาติกําเนิดของเทวดาหรือของพรหมก็อยู่ในลักษณะรสชาติกําเนิดนั้นเป็นเป็นปัจจัยให้เป็นเช่นนั้น ถ้าเน้นไปคำว่าภูมิหรือพบก็เน้นไปที่แรกคือปฏิสนธิเป็นดับต้นแสดงว่าแต่ละพบแต่ละภูมินั้นชระเตโชท่านี่ต่างกันใช่ัหยครับชิรณเตโชท่าแตกต่างกันจึงทำให้ชรลาเนี่ยมันแตกต่างกันด้วยคือชิรณเตโชเนี่ยนะ ถ้าจะวิเคราะห์แบบว่าอะไรมากกว่ากันอะไรน้อยกว่ากันเนี่ยต้องเอาในพบเดียวกันเนี่ยมาว่าเช่นว่ามาเกิดเป็นมนุษย์เอกคนนี้ชีรณะเตโชมันแรงนะแก่เร็วเหลือเกินเนี่ยนอกคนหนึ่งก็ไม่ค่อยแก่อายุเท่ากันแต่ดูไม่แก่เนี่งนะก็ชีรณะเตโชไม่แรงแต่ทีนี้ก็มาวิเคราะห์ไอ้ชีรณะเตโชนี่มีสมุทฐานสี่นะกรรมจิตอุตุและอาหารเนี่ยนะ นิสัยมักเครียดโทสะมากมีหน้าแก่เร็วเนี่ยนะก็อาหารนี่ไม่ได้ไม่ได้เข้าหลักอนามัยอะไรเลยมีหน้าจึงแก่เร็วก็ตากแดดทุกวันเนี่ยนะมีหน้าตายเร็วแก่เร็วเนี่ยนะก็ก็ว่าเป็นแบบเป็นมนุษย์ก็ว่าเป็นมนุษย์ไปซึ่งไอชีรันทเตโชไปเปรียบกับอีกพบหนึ่งไม่ได้ก็ต้องเอาของในพบนั้นอนะเปรียบกันเองเนี่นย น, น, ย น, นะเฉพาะตัวไปทุกเรือง แต่ละาพบแตกต่างด้วยจิตอุตุอาหารทั้งกรรมด้วย<ำ>คือกรรมเนี่ยาาตตเป็นตัวจำแนกพบอยู่แล้วใช่ไมกรรมเนี่ยเป็นตัวจำแนกให้สัตว์เนี่ยเลวและประนีตเกิดในภพภูมิต่างๆเนี่ยมีกรรมเป็นปัจจัยทีนี้เมื่อกรรมเป็นปัจจัยเช่นให้มาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมความเป็นมนุษย์มันจึงแตกต่างกันไปอีกเนี่ยนะก็มาแยกไปที่อาหารบ้างจิตบ้างอุตุบ้างเนี่ยนะ แต่ว่าในชั้นแรกก็กรรมอีกนั่นแหละเนี่ยนะเป็นหลักเป็นใหญ่ก็ออาหารไม่ดีก็ทำให้แก่เร็วถูกมครับก็อาหารเป็นเหตุให้แก่เร็วกนนะเช่นกูดูได้ชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหคือเช่นคนที่เน้นทานอาหารที่ย่อยยากๆ อ, อย่างเดียวเลยเนะยทั้งชีวิตกินอะไรที่มันแทบไม่ย่อยหรือว่าย่อยยากมากอันนี้ก็ตะแก่เร็วนั่นเะอ กินดีเกินไปนี่แก่เร็วไหมคือถ้าดีจริงมันก็ไม่เร็วอ่ะนะถ้าดีจริงอ่ะนะปัญหาเมื่อว่าอาหารขยะแล้วเอาไปใส่ในจานแล้วเรียกว่ามันแพงบอกแม้ดีมากอ่ะนะเราเอาไม่ใช่ น, นั้นก็คืออาหารขยะเนี่ยนะมัน ก, ก, ก็ว่าดีคือดีจริงๆอ่ะนะแต่คําว่าดีในที่คุณว่าอาจจะหมายถึงง่มอาหารมันแพงเกินไปอ่ะนะอาจจะทําให้แก่เร็วอันนี้เป็นได้เพราะมันอร่อยมากกินมากเกินไปะนะอาจจะเป็นลักษณะนั้นไป แต่ถ้าอาหารขยะก็ก็ก็แน่นอนละะนะกินผงชูรสมากเกินไปยังไงนะเพราะอาหารทั้งแพงดีอร่อยอร่อยนี่ก็อาจจะผงชูรสสักครึ่งซองเนี่นะก็อร่อยมากเกิดแพ้ผงชูรสขึ้นมาแล้วเดือดร้อนอีก